หลวงพ่อจรันจรณสัมปโนเป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งในสายงานเจริญสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียนจิตสุโพท่านเป็นประธานคณะสงฆ์วัดป่าอากาลิโกบ้านห้วยตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัดจังหวัดชัยภูมิหลวงพ่อจรันเกิดเมื่อวันที่สองมกราคม ปีพุทธศักราช471พ่อพอลืมตาดูโลกได้แค่เพียงสี่เดือนพ่อของท่านก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัยเด็กท่านต้องช่วยแม่ทำงานอย่างยากลำบากต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานับประการโดยเฉพาะการถูกรังแกด้วยความที่ไม่มีพ่ออายุ20ปีได้บวชตามประเพณี และแต่งงานเป็นผู้ครองเรือนตามวิสัยโลกเมื่ออายุได้21ปีชีวิตทางโลกระหว่างครองเรือนก็มีดีบ้างชั่วบ้างมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อใดที่จะเจอกับความทุกข์ความคับข้องใจท่านก็จะหวนระลึกถึงความสงบร่มเย็นที่เคยได้รับภายใต้ร่มกาสาวพัท คลันอายุได้42ปีได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมไปรักษาอุโบโสถศีลกับปูญ่าตายายท่านเนี่ยได้เคยตั้งสัจจะกับเพื่อนคนหนึ่งว่าจะออกบวชตอนอายุได้43ปีแต่ก็ยังไม่ทันได้บวชเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องรอคลี่คลายปัญหาครอบครัวให้เป็นที่เรียบร้อยซะก่อน รันเมื่อท่านอายุได้54ปีเพื่อนคนที่เคยสัญญากันไว้นั้นก็ได้ออกบวชทำให้ท่านรำลึกขึ้นมาได้ถึงสัจจะที่เคยอธิษฐานไว้จึงได้ไปกราบเรียนพระอุปชาเพื่อขอบวชเมื่อบวชเรียบร้อยแล้วทางครอบครัวจึงมาทราบภายหลังและก็ได้ร่วมอนุโมทนาด้วยจากนั้น ท่านก็เริ่มสแสวงหาครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานปฏิบัติธรรมมีพระเล่าให้ฟังว่าที่เมืองเลยมีพระวิปัสนาจารย์สอนแต่วิปัสนาอย่างเดียวแต่ตอนนั้นท่านก็ไม่ได้สนใจด้วยมุ่งไปปฏิบัติทางสายยุบหนอพองหนอได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออาสภพะมหาเถระหรือที่เรียกว่าหลวงปู่พม่า ณวิเวกอาสมจังหวัดชนบุรีแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระครูสีวัดผาเกิืองอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อมหาทนิตท่านให้ไปอยู่ที่วัดปอแดงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและณที่แห่งนี้เองท่านได้เกิดความเข้าใจในอสุภะกรรมฐานอย่างลึกซึง้ง ได้เข้าใจโลกกระทาแปดอย่างแจ่มชัดขึ้นนอกจากนั้นหลวงพ่อจรัญยังเคยได้รับการรับรองจากครูบาอาจารย์ว่าได้ผ่านยานรู้ขั้นสูงสูงแล้วถึงขนาดสามารถเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นคนที่จะใส่บาทในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นหญิงเป็นชายใส่เสื้อผ้าสีอะไรแต่ตัวท่านเองกลับไม่มั่นใจ ด้วยท่านรู้ตัวของท่านเองดีว่าในความรู้สึกส่วนลึกของท่านยังคงมีความโกรธมีโทสะหรือว่าความหลงซ่อนอยู่ต่อมามีพระมาชักชวนให้ไปปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนจิตสุโภหลวงพ่อจรันได้ไปลองปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งแต่ไม่เกิดศรัทธาจึงแบกกรดสะพายบาดกลับ เนื่องจากไม่พอใจในรูปแบบการปฏิบัติแต่ด้วยความที่ยังติดใจในเทศนาธรรมอันแจ่มชัดของหลวงพ่อเทียนทำให้ท่านมาคิดได้ทีหลังว่าน่าจะเป็นไปได้จึงหวนกลับไปปฏิบัติอีกครั้งที่วัดโมคขวนารามอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นณสถานที่แห่งนี้เองหลวงพ่อจรรยได้เปลี่ยนแปลงทิศทางการปฏิบัติธรรมของท่าน มาสู่การเจริญสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนจิ ต, ตสุโภนับแต่นั้นมาด้วยความสำนึกในพระคุณแห่งพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจรันไฝ่ใจที่จะตอบแทนและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดหลายแห่งรวมทั้งล่าสุดได้สร้างวัดป่าอากาลิโก ขึ้นที่บ้านห้วยตาบลหนองโดน อ, อจตุรัสจัังหดชัยภูมิและสถานปฏิบัติธรรมถ้าดงเขซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สปปยะเหมาะแก่การเจริญสติสมาธิของผู้ไฝ่ในธรรมเป็นอย่างดียิ่งที่ผ่านมาวัดป่าอากาลิโกและสถานปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อจรัยเคยดูแล เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานและอบรมพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ข้าราชการและพนักงานธุรกิจเอกชนมีผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหลวงพ่อจรันเป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งที่มีความเข้าใจในวิถีกรรมฐาน ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดแนะนําสอบอารมณ์และส่งอารมณ์ได้อย่างเชี่ยวชาญช่วยให้ผู้ปฏิบัติปรับตัวปรับใจเข้าสู่วิถีวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างง่ายและรวดเร็วนับเป็นคุณูปาการที่หลวงพ่อจรัย์ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจํานวนมาก ให้รู้จักเทคนิควิธีการปลดเปลื้องความทุกข์ให้ลดลงเพื่อเดินทางไปสู่ความสิ้นทุกข์ในระยะเวลาอันใกล้ต่อไปนับเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าหลวงพ่อจรันป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะท้ายๆจนสุดที่แพทย์จะสามารถเยียวยาได้หมู่สงฆ์พระครูบาอาจารย์ศิทธยาณุสิทธ ทั้งพระภิกษุและฆราวาสได้ช่วยกันหาทางประคองชีวิตหลวงพ่อให้ยืนยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลวงพ่อจรันเองก็ได้ใช้พลังกรรมฐานตั้งสติประคองจิตเตรียมตัวละสังขารทุกขณะเวลาชีวิตในช่วงสุดท้ายสมกับเป็นแบบอย่างแก่พวกเราซึ่งเป็นสิทธิอนุสิต ที่มั่นใจในวิธีกรรมฐานที่หลวงพ่อพร่ำสอนพวกเรามาโดยตลอดในช่วงสุดท้ายที่หลวงพ่อจรัญเจะละสังขารพระครูบาอาจารย์ในสายงานหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพซึ่งมีหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณเป็นประธานพร้อมทั้งสิทยานุสิตทั้งพระภิกษุสามเณรและคราวาด ได้อยู่แวดล้อมหลวงพ่อจรันร่วมกันเจริญสติสมาธิและศึกษาเรียนรู้สัจธรรมที่หลวงพ่อจรันได้แสดงออกถึงสภาพธรรมแห่งการเกิดดับคืออนิจจังความแปรปรวนทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาคือความเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ณวัดป่าอากาลิโกเวลา15นาฬกานาทีของวันศุกร์ที่สทธันวาคมปีพุทธศักราช2548หลวงพ่อจรันจรณสัมปนโนก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบท่ามกลางหมู่สงและสิทยานุสิทธ์ด้วยสิริอายุ เจ็ดสิบเจ็ดปีพันศายี่สิบสี่